แม้ว่าเราแยกทาแยกกันอยู่ยังปวดร้าถูกท้อทานที่เป็นให้ท้อถอยแค่เป็นเพื่อนที่ดีที่ยังไม่เธอพบหน้าก็ดูเหมือนฉันยิ้มัำให้เธอปวดใจใกล้กัน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 ปล่อยให้ฉันต้องเสียเธอไปก็ยังน้อยคงดีกว่าทั้งให้เธอทนอยู่ทุกทุกวันและเธอนั้นก็คงไม่เสียใจไปกว่าฉัน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 หาวันนี้เธอยังเก็บใจปล่อยให้ฉันต้องเสียเธอไปก็ยังน้อยคงดีกว่าทำให้เธอทนอยู่ทุกทุกวันและเท่านั้นก็คงไม่เสียใจไปเ่าฉัน